มันน่าจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ประเด็ในธรรมไอ้ความคปกินธรรมขงพระท่นทำ่าพผู้ใดมีเหตุผลทุกอย่างมีเหตุผทุกอย่างไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นทรงมันไปได้อือแตกงันกันเนี่แตกงันกันอืมขั้นแรกอนตามาสะมั่งรับตาท่นนี้สรงเอื้ อ, อแล้ว มันดะับตานอะไรดกวันับตา้ยไเาดินจนเตเดินไปตไม้เมเดินไปติมนัเดินไปเดินปเนไม่เสียดเดินทไมเดินไปสบายมมประโยชน์แมันแ่แต่ความการเดินจนตมนี่มันมีประโยชน์มากความนั่งสมาธิมันจะมีประโยชน์มาก แต่จะดิทาคนเราบางคนแรงในการเดิน จ, จนจบบางคนแรงในการนัง่งจะดิตท่ทานจ น, นเตยันอยู่เราจะพึ่งกันไได้จะนั่งจละทิ้อย่างเดียวกไม่ได้จะเดินจคงอย่างเดียว่ไดพอพิานท่านสอนว่าอินญาบทสี่การดนการเดินการนัง่งการนอนคนเราาสัยอินญาบทอย่างนี้อยู่ แต่ามันจะแรงไปที่ว่ายืนเดินนั่งนอนอะไรไปตั้งะไดแต่แรงนี้ดูมันฆ่ามันเลวมากพอเเข้ากันเปในตัวของมันอย่างเราวันเหมือนคนเดินสี่ชั่วโมงนั่งสี่ชั่วโมงนอนสี่ชั่วโมงเข้าอะไรไปตั้งมันจะมันจับจูงเข้าก็เป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนเสมอการยืนเดินนั่งนอนนี่ให้กระนอกันท่านบอกไว้นานธรรมะ ให้ว่าการปฏิบัติให้ปฏิบัติให้มันสม่าเสมอกันให้ดีกว่าบทเสมอการให้ดีกว่าคืออะไรคือการยืนการเดินการนั่งกันนอนให้มันเสมอคิดไม่ออกมึงให้มันเสมอนี่นั่กระตงจัะนอนสองชั่วโมงก็ยืนสองชั่วโมงนั่งกตงชั่วโมงเนาะนี่คงจะไปแบบนี้เลยะอันตราเราะการทำหรือแบ โ้มัไปไไหครัไปไไหวไไหวแน่นอนเลยจกนสองชั่วโมงรือนั่งกสองชั่วโมงเดินก่อสองชั่วโมงนอนนอนสองชั่วโมงนี่เยอะวิยาบทันเม้นีเราเราฟังผิดเหมตามแบบมันคิดวิาบทเสนี่ทำหน้โคตรจิตของเราความรู้จิของเราตนั้น ไม่เป็นเจ้าผู้ทั่วไปคือทำจิตของเาเกิดปัญญาแล้วให้มันมีปัญญาให้มันสว่างเอาความรู้หรือปัญญาของเรานั้นนะแม่เราจะอยู่จิตญาณเดินยืนเดินนั่งนอนเดรอยู่เสมออรู้รยู่เสมอเข้าใจอยู่เสมอในอ า, มารมณ์อะไรต่างๆแม่ฉันจะเดินอยู่แต่ชัง่งจะนอนสระตาม ระเดินนี่จปหยุดแต่ข้างเนี่ยแขนจะรู้อารมณ์อย eh, ู่เสมอการว่าอารมณ์ต่างหลายเหล่านี้มันจะเป็นอนิจจังทุขขังเนินตาเท่านั้นไอ้คำพูดอย่างนี้จะเป็นไปความรู้สึกจะรู้อย่างนั้นเป็นไปไอ้จิตใจจะร่วไปเป็นอย่างนั้นเมื่อถูกอารมณ์เมื่อเราจะเห็นอนิจจังทุขขังเนินตาตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นจะเดินจะเดินจะนั่งจะนอนมันมีความเห็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเรามันจะรักหรืวมันจะเปรียด แต่ยังในทิ้งเศระฐาของมันมันรู้ขงมันอยู่ในความในความถ้าสอนนั้นจิจิตเนีเป็นเศรษฐาเนี่ยสม่ำเสมอกันไอ้ตอนสม่ำเสมอคือมันปลยวางสม่ำเสมอกันสม่ำเสมอกันเดียวมันปล่อยวางสม่ำเสมอกันเนื่ยหากว่ามันไม่มันไม่อารมณ์ที่ดีตามสมุดภาษามันก็ยังอยู่ตัวของมัน เมื่มันรู้อารมณ์ที่ชั่วมันก็ยังมาดูตัวของมันมันไม่ได้ความชั่วไม่ได้ในความดีสมมติทั้งหลายแบบนี้มันจะตรงไปที่มันอยู่ดีด้วยอืปยญาตนี้เอาสมอไดถ้ามันยังมสมุนัดแทนมัก็หนีไดแต่พูดถึงภายในไม่ดถึงภายนอกพูดถึงเรื่องจิตใจพูดถความีีเรานะถ้าอุญา หยุดใจมันกระนองกรนือกันเนี่ยมันจะตูกสัมบเสวนไมอยู่แค่นั้นมันจะถูกมิ่งทาไม่อยู่แค่นั้ น, นมันจ ะ, นนจะุ่ขึ้นมันิ่งลยมันอยู่อ ย, ยอย่างนี้ก็เพราะอะไรไม่รู้อันตรายรู้ป ร, ร, รักษไม่จิงั้งหลายวบนนี้เห็นโทษเห็นโทษการสมบสวน เป็นโทษในการ ม, มีาเสมอกันแแต่เรื่องราวมันสรุปตั้งแต่ยังอันนี้เยอะอบไอความสุจทางในมองดูด้านในไม่มองดูด้านนอกอืมเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเราฟังธรรมดาเนะถ้าเร็อารมณ์ที่ดีจิตขรดีด้วยเนี่ยเราจะเห็นพอมกันมอารมณ์ที่มดีจิตขอา้าไจะดีไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเหตอย่างี้ นี่ยรองไอเดียวยดไม่ได้สม่เสมอการละมันสมาำเสมอแปลว่ามันรู้อารมณ์บ่ามันยึดดีก็รู้มันยึดชั่วก็รู้จักนี่ก็ยังดีกว่าแหละไอเดียวยดที่มันสม่ำเสมอแต่มันวางไม่ได้แต่ว่ามันรู้สม่ำเสมออืมยึดันดีก็รู้จักเจ้าของยึดันชั่วก็รู้จักเจ้าของแต่ความยึดเป็นนี่แหละมันเป็นจริงที่ไม่ใช่หนทางก็รู้อยู่เนี่ยเข้าใจอย่างนี้แป่ว่ามันทํายังไม่ได้ ในห้าสิเนตเนี่ยร้ยก็ดสิเนตเนี่ยนะอืมไม่ีไม่ีการต่อยวางแต่มันรู้ว่าจะจะป่อยวางตรงนี้มันจะสงบแล้วเมื่อเราพยายามทไปแบบ่เหโทษในอารมณ์ที่ว่ามันมันชอบใจหรือว่ามันไม่ชอบใจเนโทษในสันตเสริญเห็นโทษในการดิ้นทาสมองสมุนต์ตั้งแนเนี่ยม่มีอะไรแตกกันดิ้นาแล้วก็สมอสมนตกันสนตเสนก็สมเสมุนตกัน จะพูดถึงจิตคนในโลกนี่นะ่ะถ้ามินทาก็ได้หไม่ได้ดยยลีกหัวใจล่ะถ้าถูกก็ไม่เสื่อมนะฮู้ยมขึ้นเช่นดีมันเป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติของมันเมื่มันรู้ตามความจริงซะแล้วนี่นน ะ, อ, อ, ะอารมณ์ที่เขามินทานะั่นต้องตมีโทษ อามณที่เาสอสนั้นมันจะมีโทษจิตในสัมโนเสวน้มีโทษจิตในตาิามันจะมีโทษนี่มันจะโทษทั้งหมดทั้งนั้นเอ่ถ้าเราตหนายมั่นมันอย่างนั้นนี่ความรู้อย่างนี้ตวเกิดมาเนั่นมันจะเลื่อยสุดอรมณถ้าเราหมายมั่นันี่จะเป็นทุกข์จริงๆมันทุกข์ให้เห็นอ้าไปยึดดียึดชั่วจริงๆมันจะเป็นทุกข์กินมา แล้วทำไเห็นความทุกข์นั้นในความยึดถุงหลายนั้นมันเป็นเห็นยึดตัวเปิดทุกข์ให้ชั่วแต่จะคุบขดีแต่จะทุกข์กจับอห้แน่นอย่างนี้เราเห็นโทษมันแล้วทำไมเห็นโทษมันเพราะเราเคยยึดมันมาเคยจะทุกข์มันมาอย่างนี้สิ่งเห็นโทษ ม, มันไม่นด้มีสุขที่นี่สหายทางจอยมันจะไปตรงไหนเนาะทาง่อย ในทางใทางุตภสาอะไรแบบอย่าไปยึดมั่นถือมัน่นเราฟังในจบเรื่องออย่าไปยึดมั่นถือมัน่นคือถ้าไปยึดอยู่ใจะใหญ่มัน่นเอาเองชักดอีอย่างสายนี่นี่คืออะไรไฟสายนี่ไปยึดมันมาไ ด, ด้เราจะมาดูโอ้ายสายเราก็วางมันเรไปมนนี่ ยึดแบบนี้ถ้าว่าเราไม่ยึดเราจะทาอะไรไหมจะหมุนจะกลมก็ไม่ได้แต่ถ้าไม่้องยึดซะกอ่อนครั้งแรกมันเป็นตัณหาก็ว่าเจ่าต่อไปมันเป็นบาปณียังอยากมานีกชาติจะมาวัดตะคงก็ต้องอยากมาก่อนถ้าชาติจะมาไม่รู้สึกว่าอยากมาแล้วก็ไม่ได้มาแล้วโยมก็ไม่ได้มากันใครๆจะมีความอยากจะมานี่จริงมา นี่คือมาเด็กสมอยากเนี่ยเนี่ยเนี่ยสมอยากเป็นมาแต่อายายึดมั่นคือมาแล้วปรับนี่คืออะไ ร, รงสงสายเด็กจะยึดขึ้นมายึดขึ้นเอ้ออันนี้มันมันใสายและนี่นะแล็กเวางเนี่ยนี่คือว่ายึดแต่ว่าไม่แ น, น่นปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวาง พูดง่ายก็เรารู้รปล่อยวางจับมาดูรูร่าปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางแค่นั้นอันนี้พสมุทตย์มันดีอันนี้พระสมุทตย์มันจะดีรู้แน่ๆทั้งนี้ทางเชื่อรู้หมดเคลาปล่อยนี่ไม่ทําใย้โง่ไม่ยึดเลยต้องโง่ยึดแต่ปัญญาอย่างนี้อันนี้ปัญญาบทนี้เสมอได้ต้องเสมอได้อย่างนี้ปัญญาบทนี้เสมอได้ คือจ The ิตมันเป็นทำจิตให้รู้ทำจิตให้เกิดปัญญาเมื่อจิตมีปัญญาแล้วอะไรมันจะมี่ยวเกิก็นั่นเองแล้วแต่จะยึดมามันจะยึดใน่มีโทษคึดขึ้นมามันไห่มั่นยึดปูแนวรู้แว่เบาะอารมณ์เกิดเกิดมาทางหูเรากว่าเอออันนี้โลกขบวมันดีแน่วันเบา โลกเขาว่ามันไม่ดีมันผัว่ามันรู้ดีรู้ชั่วไอ้คนยไม่รู้ดีรู้ชั่วยึดทั้งดีทั้งชั่วมันุกละคนรู้ดีรู้ชั่วเป็นต้นไม่ได้ยึดในความดีไม่ได้ยึดในความชั่วคนที่ยึดในความดีในความชั่วนั้นตัวเดียวนั่นคือไม่รู้ดีรู้ชั่วถ้าทางที่เรียกว่าเราทาอะไรนะ <S old days> กรอดทีว่าเราอยู่ไปนี้เราอยู่ไปเพื่อประโยชน์อะไรเราทำงานมันนี้เราทำงานเพื่อต้องการอะไรแต่โลกเข า, าทำงานนนี้ต้องการ น, นั้นนั้นเขาบอกคนมีผลพระสอนยิ่งไปตรง น, นั้นดีทำงานนั้นนี้ทำอะไรไม่ต้องการอะไร ทำงานเนี่ต้องการอะไรโลกเขาต้องทำงานมา น, นี้เพื่อต้องการมันนั้นทํางานมันนั้นเพื่อต้องการมันนี้มีอีกผลอย่างนี้ชาวโลกีครับเราครูอสอนสอนว่าทำงานเพื่อทํางานไม่ต้องการไม่ต้องการอะไ ร, ไรถ้าคนเราทํางานต้องการอะไรอยู่เนี่ยทุกครลองดูลองไม่ได้ พอนั่งคุกจะมีให้ต่องการพอส่งนทั้งหนั้นไตัดความไยาทคุกเลยเน่ลองลองดูสิเนละเอียดกันอย่างนี้คือทำได้ลอยวางทำได้ลอยวางมีปัญหาถามในพระสงฆ์ถามอ่ะพรามพระบูชาญัน เขาก็ต้องการสิตที่เขาปรารถนานั่นอยู่ยางนั่นการกระทำเช่นนั่นของความนั่นยังมีคนทุกข์เพราะราาก็มีความปรารถนาอยู่จริงทับแน่อันนี้ทำนี่จะทำปรารถนาอห้มันเป็นอย่างนั่นทำไปทำไปไม่ได้ทำจนกว่าที่เรียกว่าไม่ปรารถนาอะไรแล้ว ทำเพื่อป่อยวางแต่จะทําไปอันนี้ทำนี่มันเป็นเป็นปัจเจกตังมันอยู่ลุกลุกพึ้นอย่างนี้คนในแต่ชั้นเนี่ยทำนี่เพื่ออะไรเพื่อส่งการปฏิภานนั่นแหละไม่ได้ปฏิภานไม่มีเนี่ยต้องการอะไรเพื่ออะไรมีความสงบเองก็เป็นธรรมดาแต่ว่าไม่ถูกกัน ถ้ทาทำาะไรไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นมันจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรถ้าเป็นแรงกระทุ้บกันเนี่ยผู้ทำ ง, งานไม่เป็นอะไรมั่นจะ่สันติเหวี่ว่าแหนสาก็ทาํทามันมีอยู่ไอความว่างในตอนนีฟ้ฟังคู่คนฟางไม่รู้เรื่องแต่คนทาไปจะรู้จากความว่ า, างมันมีไปอยูไม่ใช่ว่ามันว่างในถีที่ว่ามันไม่มี มันว่างแต่สิ่งที่มันมีอยู่เช่นไฟสายนี่เนี่ยมันไม่ว่างเราเห็นไฟสายเนี่ยมันว่างมันว่างว่างเพรามีไฟฉายนีไฟสายนี่เป็นต้นเป็นเหตุแต่มีว่างโดยเฉพาะว่างองดูขนาดนั้นไม่มีอะไรเลยเป็นว่าไม่ใช่อย่างนั้น อัอองั้นความฟังความว่างก็ไม่เออกเหมือนกัน่เคยจะรู้จักดังนั้นต้องเข้าใจความว่างในของที่มีไม่ใช่แต่ความว่างในของที่ไม่เอาเอะลงลองนึกด อ, อย่างนี้ <c oughs> นยึดจะรักใครยังมีความปรารถนาอยู่อย่างตามที่บูชายันตามทำไมถเป็นบูชายันก็ต้องการานิชันในอยู่ เป็นพยมมาเส้นลาปะโอ้ยน้องพ่อผมรน้าทาไมรถทาไมต้องการดีดีจริงดีเนี่ยมันจะไทยน้องแวนในคนทุนมันต้องการเอนกันมีตดีที่มีต้องการจะมีอยู่ผลทางโลกเขาต้องการมีอยู่ผลมานี้เพื่อนั้นทำมานั้นเพื่อนั้นในทางวิทยาศาสนร์นะทำไม่มีเพื่ออะไร ทางโลกไปทำ ง, งานทำอะไรดรีกว่ามีเหตผลแลวพระองค์การสอนอ่ะให้นอกเหตุเหนือผลเกาเ่ยวภาอะไรสัญญาของท่าให้นอกผลเหนือผลให้นอกเอกิดเ ห, หนอเหือตายไปนอกสุขเหนือทุกข์ไปแล้วคิดไปตามจริงแล้วพิจารณาไปตามจีิ ไม่มีที่อยู่คนไม่มีที่อยู่ยึดอากว่างไปมีที่อยู่มีที่อยู่มีรูปแบที่อยู่เพราะเราไม่เคอยู่ในภพอยู่ใยึดมันถือมันเป็นภพถ้าไม่ยึดมันถือมันเนี่ยก็เดี๋ยวไม่รู้จะทำอะไรยังงงเลยไปปฏิภาณเยอะอยากไปเราไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไร บนหลังคาเนี่ยตับกุ้นใช่ไหมที่สุดข้างบนคือหลังคาที่สุดข้งล่างคือป้นอันนั้นมันพบข้างบนเนี่ยอันนี้มันพบข้างล่ยางแล้วย่าที่พบข้งสองนี่มันต่อกันบางว่าคนไมู่้จักไม่มีที่อยู่อย่างนั้นจึงไม่มีจักที่ว่างมเป็นที่อยู่ของคนเนี่ยอยู่จนกระทั่งเป็นบนหลังคาเป็ที่อยูอย่ ตลงมาข้างล่างเลยทีไมียวในย่านนี้ไม่มีอยู่ไม่มีที่ อ, อยู่มันว่างที่ไม่มีพบเนี่ยเราก็รู้จักว่ามันมีพบเนี่ยมันมีที่อยู่ของเราอที่ไม่มีพบแต่เดียวมันว่างตาเอื้ยวเยี่ว่าพระนธุ์พันนมันว่างถอยหลังเนี่ยไม่ไปกลัววจะไม่เห็นดุควรจะเหนื่เห็นดานควจะไม่อยเห็นอะไรอะไรัรงนั้น <S <S <S <S อย่างนั้นอยาจำเปให้ให้ให้ให้พรญาติโยมเ อ, อ, อายุวันโนทั้งพลังโยมวีเดซาจอายุหลายวันนะผ่องสายมีความสุขมา ก, มากและ ม, ม, ม, มีมีพลังให้หลายมีคนชอบคนชอบใจ แะเลิกก็ไม่มีอะไรแล้วเลิกเลยเราต้องเอาแล้วเนี่ยคนมาจีก็ได้พบอย่างนั้นบอกตรงนั้นไปหึงไม่ไปในที่อยู่ละอายุวันโนสุ ข, ขาขลังรรรเออดีแล้วยายุมันยืนนา น, น, น, นเนี่ยวันโนมะีบัณฑ์ผิวพรรสวยงามมีความสุขมากมียืนยืน คนอายุยืนยืนผิวพรรดีนะเคยเห็นไหคนอายุได้หนาอยู่สนั่งมากๆดีไหมคนอายุมากๆมีกสุกมากๆดีไหมนี่อายุวโนสุขังกะลังซาสุขีใจกันตรนั้นพังศาาเลยอายุวันสุขาศาลาเนี่ยีใจเนี่ยมัติดสิริภพเนี่ยอย่างงั้นปราบูชายัน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 มันสงบมันจบเรื่องของมันแต่พูดในฟังอย่างนี้ก็ไม่สบายใจเลยอยากจะมุเนี้อันนั้นอีสาะพอย่างนั่นพวกปฏิบัติทางหลายอุบาสกนี่แหละอุบาสกต่อโกโกยุต่างหลายนี่มีอุบาสกก็ไปใต้ละ มรู้เไปใกล้พระไอ้ความเห็นเขาไปใกล้พระ เ, เป็สป ฏ, ฏิปโนอุชุปฏิปโนยาญาปฏิปโนสนิจิปฏิปโนให้เขาไปใกล้พรคะใกล้พระก็คือใกล้พระพุทธเจา้าคือใกล้ธรรมะของทานนั่นใกล้ใกล้ธรรมะก็เดีกใกล้พุทธจเจ้าอนุให้การทำหน่มาก อาจารย์ะเรีนใหว่าใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราใครเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนละ่ะคนนีข้ขอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาสวดพุทธเจ้าไปแล้วพระพุทธเจ้าไปแล้วพระพุทธเจ้าคือธรรมะคือต่จน่ บางคนยันออกปากโผนมาเ อ, อ้ยถ้าเราสกิดเกิดพันกพระพุทธเจ้าเราตจะตากันแหละแน่ไอความโง่กูดูตัมาอย่างนั้นแพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ตี ว, ว น, นี่ใครบา้าเพื่อเดียร์มีผ่านอืมพระพุธพทธเจ้าคือสัจธรรมสัจธรรมมันจะจริงอยู่อย่างนั้นใครจะเกิดมาจะมีอยู่อย่างนั้นใครจะตายอะไรจะมีอย่างนั้นสัจธรรมนี่มันนไปจากโลก เป็นอย่างนั้นนี่อยู่ตลาดเลาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะเกิดมาก็มีไม่เกิดมาก็มีใครจะรู้ก็มีไม่รู้ก็มีอยู่อันนั้นมันมีอยู่จยางนั้นฉะนั้นจึงได้ยดองใกล้ของพุทธเจ้าใกล้ของพุทธเจ้าอน้อมควาเมตตาเหน่งโ้อมาให้เราก็ไปถึงธรรมะเมื่อไปถึงธรรมะเราก็ถึงพระพุทธเจ้า เม่อเห็นธรรมเห็นพระพเจ้ามันจะหายสงสัยโง่อดแล้อเห็จ้าคือธรรมะธรรมะก็คือพระพทธเจ้าเป็นอย่างนีง้ถ้าพูด ง, าาง่าอย่างครูชูก็อย่ชูแต่ก่อนเป็ น, นเป็นครูเกิดมาสรั้งแรไม่เป็นครูหรอกเป็นนายชู มาเรียนวิชาของครูตอบได้ปฏิบัติไปเป็นจุดเป็นครูเพราะเรียกวิชาครูชูจะ เ, เป็นครูเพราะอะไรเพราะวิชาของครูที่ให้นายชูเป็นครูชูนะอนี่ไม่เป็นนี่ท้าบว่าเอจะได้เป็นครูนั่นก็เพราะเรียนวิชาของครู วิชาครูที่นี่เป็นครูไม่เป็นครูเพราะวิชาของครูครูครูแบบนี้ไปมรณะภาพไปแล้ววิชาของครูนี่เรายังมีอยู่ใครจะไปเรียนวิชาครูไปสอบวิชาครูนี่ได้ก็ยังเป็นครูอยู่คนนั้นก็ยังเป็นครูต่อไปวิชาของครูนั้นไม่จะีาหายเป็นปฏิจตธรรมยังมีอยู่ในโลกเหมือนปฏิเจตธรรมที่ทำ ใ ค, คคใครปกติมมมมตองยิจ้างนั้นจงเหตุตเจ้ายังมีอยู่อย่านี้ยังน่ใครปฏิบัติไปจะเห็นเห็นธรรมะเห็นธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยานีคนหนงังนั่นองพระพุทธเจ้าไปตรงไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จักถ้าฉันเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าฉันคงจะเป็นลูกหยไมได้เหกตัดกันไปเลยนะ พูดถึมาเดกกโง่นี่อย่างนั้นอันนี้เห็นเขาใจจิตเป็นจิตที่สัมพันมากนนและการปฏิบัติของเราผมว่นกันอย่าไปเข้าใจว่าเราสงสารแล้วก็ติตเหาะปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ไอ้ความชัวมดดวม่ ว, ว ม, มีู้เดียวเสมอตาคกันได้ทากำหนับจิตดูแลไอ้ความดีผูเดียวชนะจิตเดียวกันนั้นไปได้แล่มึงได้ ให้เข้าใจอย่างนี้จะไปเข้าใจแบบันบวดมา น, าน้นมีเจ้าภาวนายังเหงยาไอ้คณะที่มันถูกต้องเจอเราทำกรรไอ้กรรมชั่ววูบเดียวเท่านั้นไอ้ทากรรมหนักได้ไหมไอ้ชั่ววูบเดีวยวที่องค์ของเราสาวกทุกองค์ท่านฏิวัานม น, นานเมื่อมันเือดจะได้จะถึงมันขณะเดียวก่นง้งอยไปประมาทอย่งของเล็กๆน้อยๆอย่าไปประมาท วิยาบทที่เรามีอยู่นี่พยายาม่งั้นเท่านั้นไปอยู่กับคระ่าวใสพร า, าที่เจรนะซึ่งจะรูอยากพระเอ อ, เ อ, อให้พอใจดีๆเนีเ่ยอะไรว้างคนนี้มันจะหลายทุ่มเม น, มน่ยแบบว่อคนสั่งทํำจะง่วงนอนจะมี น, นนะะเพราะคุณเป็นจ้าไม่ไ ม, ไม่ไม่เค็ีคนง่วงนอนสั่งนะให้คนด่นตาฟังด่นใจสั่งนะ